ถ้าพระปเจพระุทธเจ้าก็ยิ่งกว่าภาษาลิบุตรถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้แม้ขณะแม้ขณะทุกขณะแต่อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่สอนเพื่อให้รู้ขณะทุกขณะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ต้องการแต่ถ้าไม่รู้จบเลยถ้าไม่รู้จบเลยสันติคณะไม่ขาด โอ้ใช้เวลานานเหลือเกินใช้เวลานานเหลือเกินเพราะรูปผ่านมาแล้วเนีเนี่ยแต่นะจริงๆต้องการสืบคน้นเอาไว้อีกภาคหนึ่งดีกว่าน้อเพราะว่าจริงๆแลถ้าไปนั่งวิจัยกันจริงๆนะ่ยก็เป็นเรื่องรูปกรรมฐานไปเลยแตเนี้ยถ้ารูปกรรมฐานจริงๆถ้าจะเรื่องเจาะองการวิจัยจริงๆนะต้องเรียนต่างหากต้องต้องคุยกันต่างหากเลยต้องต้องคุยต่างหากเลยถ้าจะวิจัยตามตามคามภี์วิสุธทธิมรักษกคาหรือดีกา หรือในมูลฎดีกาหรือในในนุติกาเนี่ยนะถ้ามาไข่ครวนแล้วมาสรุปประเด็นว่ากันนี่นะได้สรุปกรรมฐานเนี่ยนะก็เต็นไปตามนั้นเลยแต่นี้ตอนสอนสรุปกรรมฐานเอามาก็สอนคร่าวๆมาเหมือนกันในเอ่อในด้านของการอนุปัสินาเพราะไม่ได้มีเป้าหมายในการเจาะแต่ต้องการพูดตามเนื้อหาของคัมภีย์เป็นไปตามลำดับทดิฉันพื้นฐานแต่ไม่คิดเจาะลงในเรื่องการที่เอามาไข่ครวนกันอย่างเป็นลำเป็นสันจริง คิดว่าหลายๆท่านก็คงจไปสรุปกันได้ก็คิดอย่างนั้นน่ะนีก็ก็ก็เลยไม่ฮะสรุปไม่ได้เลยแต่บางท่านก็ก็น่าก็น่าจะได้แต่ไอตรงนั้นก็ก็เอาไว้เอาไว้อ่าเอาเอาไว้ไวไวยังไงก็ผ่นผ่านไปก่อนดีกว่าตอนอ น, นี้นะ <c oughs> อ๋อรามานะคณะท่านกล่าวถึงนามคืออย่างนี้ มันมีสองอมีมติหลังๆบอกว่ารูปปัจฉนะจัดเป็นอารามนาคณะได้แต่ก็ถูกค้านด้วยพระเถรคาถาจารย์เนาะคืออารามนคณะเนี่ยแยกเป็นสองส่วนในอารามนาคณะเนี่ยมาจากคาว่ า, าในชั้นของคําสอนเนี่ยนัมาจากมาสองส่วนสองส่วนก็คือว่ายาตะกญานะหรือยายาตาันจักกยานันจ่าเนี่ยมาอย่างงี้ ตรงที่ท่านอธิบายเกี่ยวในเรื่องตรงนี้ก็คือมาจากคาว่าในคำวิยุสธิมักยาตันจายานันจ่าอุโพติอุโภปีวิปัสติท่านใช้คําว่ายาต่านั้นคือหมู่น้ำที่ถูกกําหนดรู้ยาต่าตัวนั้นน่ยหรืออุปาทานขันห้าเลยรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเลยคือทกษะจัตธรรม ท, ทั้งหลายที่จะต้องรู้แจ้งทะลุทะลวงด้วยวิปัสนาปัญญา นี่เขาเรียกยาตะและก็สมุทัยสัจธรรมด้วยมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานมีกอมฉะนั้นตัวนี้เป็นกลุ่มของยาตะคือขันห้าน่เองรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่แยกเป็นส่วนของทุกขสัจธรรมกับสมุทัยสัจธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้คือ ตัวยานปัญญาต้องไปรู้แจ้งต้องไปทะลุทะลวงต้องไปเจาะวิจัยให้เห็นตามความจริ ง, ง น, น, นั้นตัวนี้เป็นตัวยาตะสิ่งที่เขาเรียกว่ามูลนามที่ถูกกําหนดรู้ส่วนญานะเนี่ยหมายถึงมูลนามมาทำผู้เป็นตัวกําหนดรู้<อ>มูลนามมาทำผู้สามารถกําหนดรู้ที่มีอะไรนํามีวิปัสนาปัญญาเนี่ยเป็น เป็นตัวนำเห็นไมมันมีตัวทู้มูลนามผู้ถูกกำหนดรู้กับมูนามผู้กำหนดรู้ น, ร น, รนั่นแหละในในอรูปศัตตกะเนี่ยนะในคำพีวิสติมาร์กเน้นท่านแสดงว่ามูลนมามธรรมผู้สามารถกำหนดรู้ที่มีวิปัสนาปัญญาเป็นตัวนำนั้นนะบอกว่าสำหรับปุถุชนเศขาบุคคนก็ได้แก่ มหากุศลมโนวทวารวิถีนั่นแหละก็มีอะไรมโนวทวารวัชณะหนึ่งเจสิกที่ประกอบ11รวมเป็นสิเห็นไหมมโนวทวารวิถีที่เป็นปัตญาณ น, นะแล้วก็ชาวนะในชาวนะก็มีเท่าไหร่ที่ประกอบอาชาวนะพวกพวกมหากุศลชาว น, านะนั่นเองและเจสิกที่ประกอบ เห็นไหมเจสิ่งที่ประกอบเนี่ยอันนี้คือตัวที่เข้าไปรู้มีปัญญานํานั่นแหละ34 32ิบสนั่นแหละก็เว้นพวกวิรตีเว้นอะไรออกไปนี่ะนะนนเว้นเว้นเอาปัญญาเสียเว้นอะไรต่างๆถ้าไปวิจัยเนี่ยนะนะนั่นแหละชี้วิปัสสนาปัญญาญานเนี่ยนะที่ท่านใช้คําว่าชาวนะเจ็ดขณะแล้วก็บางคราวมีแตถารลำนาไม่มีแตถาลำาอันนั้นก็วิวากัน นี่และมูวิปัสสนาญาณเนี่ยถ้าเป็นพระววิปัสสนาญาณก็เป็นวิปัสสนาญาณแก่ก้าก็เริ่มตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปอันนี้คือมูนามธทําทั้งหลายที่เป็นตัวผู้กําหนดรู้ที่มีวิปัสสนาปัญญาเป็นตัวนําถ้าเป็นตารุณวิปัสสนาก็คือเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นไปเนี่ยนะตั้งแต่ต้นๆไปเลยเนี่ยนั้นะประกอบด้วยญาณ น, นะตัดีประกอบ ด, อนนะด้วยญาณนะสมบยุทธวิปยุทธหรือว่าปีติหรือไม่มีปีติประกอบเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เป็นอสังคาริกสังคาริกเนี่ย คณะทั้งสอย่างนี่นะนา ม, มาธรรมคือมโนทวารวิถีจิตผู้สา ม, มารถกำหนดที่มีวิปัสนาปัญญาเป็นตัวนำเนี่ยนะถ้ากำหนดแยกอะไรแยกนามสันติคือความเกิดขึ้นสืบต่อของกลุ่มนามให้เห็นด้วยญาณปัญญานีก็คืออะไรเข้าไปรู้ก็คือมโนทวารวัชนะปฐมชาวนะทุติยาชาวนะเป็นต้นนะที่เข้าไปรู้เห็นห ตัวมโนทวารแลชนะนี่ที่มีถึงความช่ำชองนี่แหละเข้าไปรู้อะไรรู้อุปาทานขันห้าที่เป็นไปในส่วนของทุกขศัจะธรรมที่จะต้องรู้แจ้งทะรูทะลวงด้วยญาณปัญญาแล้วก็สมุทยศัจธรรมเนี่ยนะอันที่บอกว่ามีอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมเป็นต้นเหล่าเนี้อันนี้คือกลุ่มทุผู้ถูกถูกรู้ถูกเข้าไปใข้ควร ก็ใครควรไปตามอะไรไปตามวิถีต่างๆดั ง, งที่ได้กล่าวนี่ไงว่านามคะคนะนามสันตติทั้งหลายเกิดขึ้นสืบต่อหรือต่อเนื่องของนามธรรมทั้งหลายนี่นะให้เห็นด้วยปัญญาก็คือตัวไหนไปเห็นตัวมโนทวารวชนะตัวปฐมชวนะทุติยาชาวนะตติยาชาวนะจตุถาชาวนะเป็นต้นเหล่าเนี้ชวนะดวงที่หนึ่งสองสามเพื่ออะไรเพื่อไปทําลายสันตติคณะเพื่อไปทําลายสันตติคณะ ทีนีนตน้ตอนนี้เขาทําลายคณะก่อนอเพราะเพราะทําลายคณะแต่ปัจจัยต้องเอาอยู่แล้วกรณีที่ว่าไปแยกแยกเนปัจจัยแต่ตอนนี้ท่านต้องการทําลายให้เห็นการสืบต่อกันของนามธรรมที่เป็นไปตามตามวิถีต่างๆนี่กําหนดแยกแยะกําหนดแยกแยะ ทีนี้ถ้าหากไปเห็นความสืบต่อกันเป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะไปเข้าใจความสืบต่อเป็นไปตามอย่าชัดเจนเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าไปเพื่อจะทําลายสันตติคณะคือการสืบต่อของนมามธรรมใช้อะไรไปทําลายใช้มโนทวารชนะใช้ชาวนะที่เป็นกุศลทั้งหลายที่มีวิปัสสนาปัญญาเป็นตัวนาําเอเมน อ๋ออันนั้นคือนั่นแหละนะอันนั้นเข้าใจอยู่แล้วตรงนั้นก็คือหมายความว่าการเกิดเชื่อมจับต่อกันเนี่ยถ้าพูดถึงนามธรรมกับรูปธรรมใช่ไหมถ้ารูปธรรมเนี่ยนั่นมาแล้วอันนี้พูดถึงนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามตามทวารต่างๆคือจากขุทวารวิถีเชื่อมลงสู่มโ น, ววนทวารนถีโสตทวารนถีลงสู่มโนท ว, วารถีเป็นไปตามลําดับไง ที่เขาเรียกว่าทัตนาสันติสาวนาสันติเนี่ยขายนาสันติแล้วก็สายนาสันติปุษณะสันติจินนาสันติคือการสืบต่อกันเป็นไปตามลําดับเนี่ยนะเนี่ยนะถามว่ามโนทวารลวชนะแล้วก็ปทมเฉวนะที่มีวิปัสนาปัญญาเป็นตัวนําอันนี้เขาเรียกยานะยานะไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ปกำหนดรอบรู้ยาตะยาตาก็กลุ่มพวกอะไรทุกขสัจธรรมกับสมุทิยะสัจธรรมทั้งหลาย ก็คือนั่นแหละถ้าถามบอกว่าใช่ลำดับของอนันตระสำนันตระัหมก็ต้องนั่นแหละลำดับของอนันตระสำนันตระนั่นเองคือต้องเข้าใจตรงนั้นถ้าอย่างนั้นตัวสันตติคณะมันไม่ไม่ขาดไม่แตกถ้ามันไม่ขาดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราน่ะเข้าใจเราน่ะคิดใช่ไหมเราเข้าใจเรามันคิด ถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถอรอบรู้กามสืบต่อกันของรู ป, ปกายทั้งหลายก็นั่นแหละเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเราจากนู่นมานี่เป็นต้นเหล่านี้นี่คือสันติมันถูกถูกปิดบังไวไ้การสืบต่อปิดบังยานปัญญาไว้ทำให้ไม่เห็นตามความเป็นจริงสัตว์โลกทั้งหลายที่มืดบอดเพราะโมหะปกปิดอยู่จิตสกปกจิตไม่สะอาดนี่แหละก็ไม่สามารถที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงของ รูปนามขันห้าเป็นต้นได้อันนี้นี่รู้ส่วนนี้ก่อนนะส่วนต่อไปเมื่อส่วนนี้ชัดแจ้งดีแล้วต่อไปก็ไปแยกกำหนดกำหนดแยกนามา ร, รมในขณะเหล่านั้นในขณะเหล่านั้นรูปธรรมอะ่ะคือคือการวิจัยอะ่ะให้เห็นว่าเหมือนพระธถระาจารย์ที่บอบอกว่าไม่ใช่แต่วิญญาณเท่านั้น แม้ผัสสะธรรมชาติที่กระทบก็อยู่ในนี้เวทนาธรรมชาติที่เสวยแล้วก็สัญญาธรรมชาติที่จำเจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนเป็นต้นก็อยู่ในนี้อันนี้แปลว่าต้องการไปทำลายสมูหะคณะก้อนของน้มให้แตกก้อนของน้ำให้แตกโอ้ลาบากเยเนี่ยต้องไปทำลายตรงนี้นะ อ๋อคืออย่างนี้โดยหลักความเข้าใจต้องมีอยู่แล้วการที่ไปไข้ควรถึงจะเกิดท่านถึงบอกไงบอกว่าถ้าหากว่าศึกษาในเรื่องของรูปนามต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องรู้สภาวะลักษณะของรูปของน้ำใช่ไหมไอการรู้การเข้าใจการจําสภาวะลักษณะเฉพาะตัวของรูปน้ำเป็นต้นได้นั่นแหละ สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละเป็นตัวที่จะไปเอางี้นะอุมาเนี้ยอามาอุมาหลายครั้งว่ายอมสุวรรณไม่เคยรู้เลยว่ า, าที่ตลาดนี่นะเขาบอกให้ยอมสุวรรณเนี่ยไปหาเออไปซื้อมันนะ่นะมันเทศตัวงั้นนะแต่คนก็บอกลักษณะยอมสุวรรณไปแต่มันไปปนกันอยู่นะยอมสุวรรณก็ไปที่ตลาดแล้ว ก็นั่นแหละอาศัยจําจากลักษณะที่คำไอ้ความจำไอ้ ittle, สิ่งที่จําได้นะ่ะเข้าไปก็ไปตรวจสอบดูอ๋อเนี่ยตรงตามนี้เลยก็ไข่ขวดอ๋อมันต่างจากโน้นต่างจากนี้เป็นไปตามดับก็เลยรู้นี่ยังไงมันมันเทศเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนั้นถ้าหากไม่มีข้อมูลไปแล้ว <c oughs> อะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่รู้เลยแยกไม่ออกฉะนั้นการรู Gene ้ <c oughs> Bull. ข้อมูลนะถูกต้องแล้วในชั้นคําสอนของภาษาสดาเนี่ย เพราะเราไม่ใช่นักคิดเองเพื่อให้ตัดสรนุเราคิดตามที่ผู้ได้เจ้าบอกคิดตามที่ผู้ได้เจ้าบอกเพราะผู้ได้เจ้าบอกลักษณะบอกรักษาประยุทธ์ฐานประทัดฐานกิจอาการปรากฏและประทัดฐานบอกความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภะไว้เมื่อเราจําได้แล้วก็อัฏฐเข้าใจต่อไปก็เป็นดูสภาว่าจริงๆที่มันเกิดขึ้น พอจะเข้าใจใช่ไหมอย่างเงีงย้ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยองเง ย, งยงๆๆๆๆ อ๋อก็นั่นแหละก็คือในกรณีที่เขาในนั้นมีรูปขันไงเออเข้าไปในนั้นมีเวทนาขันสัญญาสังการวิญญาณถ้าถ้าแยกตรงนั้นออกไม่ได้ก็ เ, เป็นก้อนของน้ำอยู่หรือรูปธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นว่าปัทวีไงอาโปโตเตโชวาโยสีกิรรถโอชาธาตุนั้นแปบางส่วนก็มีชีวิตนับกับกลาวเป็น9บางส่วนก็มีจักขู่เพิ่มข้อให้โสต่าเพิ่มง่ายก็เป็น10บนั้น8ปดเอ้ยเก้าสิบเลยนะอันนั้นต้องถูกกระจาย ต้องถูกกระจายโดยยานปัญญาสมุหะชาตานั้นท่านกล่าวถึงในฐานะคืออย่างนี้ คืออย่างนี้ว่าถ้าคําว่าสหาชาตปัจจัยท่านพูดถึงฐานะที่เกิดพร้อมกันทีนี้ในะขณะเกิดพร้อมกันต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเราแย ก, แยกนามธรรมที่เกิดพร้อมกันเหล่านั้นไม่ได้ว่าเป็นอะไรเนี่ยก็แปลว่ากระจายกลุ่มตรงนี้ไม่ได้และในนามธรรมเหล่านั้นอ่ะไม่ใช่รู้แค่นั้นนะต้องไปรู้ด้วยเขาทํากิจอะไรด้วยอันนั้นก็กิจจากคณะ ควบคุมก็ควบคุมาก็ควบคุมอ๋อแต่ในชั้นก็อกัดกระถาบอกก็แยกอย่างนั้นเลยแยกอย่างนั้นเล ย, ยอ๋อสติมีสัญญาเป็นประทา ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้มีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ไอ้ตรงนี้แหละคืออย่างนี้เออนี่ถามดีเรื่องสัญญานี่เนะี่ย พอลักษณะของสัญญาเนี่ยเขาเขากําหนดเครื่องหมายนั้นตัวตัวสัญญาเนี่ยเป็นประธานของสติเพราะตัวสัญญาจะเป็นตัวกําหนดกําหนดเครื่องหมายความต่างคือสามารถขีดเครื่องหมายได้ขีดเครื่องหมายความต่างได้ว่าเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารวิญญาณเป็นต้วเนี่ยเขาขีดเครื่องหมายความต่างได้ไอตัวความต่างตรงนี้สติก็ไปเจอดจอแล้วปัญญาวิจัยได้อย่างนี้เป็นต้นเนหมือนกรณีที่ท่านอุมาการเดินทางนั่นเลยเดินเข้าในป่า ก็ขีดเครื่องหมายไว้ขีดเครื่องหมายไว้คนที่มีสัญญาดีในกรณีองการใครควรพิเนาเนี่ยเขาเขาจำเครื่องหมายไว้ได้ความต่างของสภาวธรรมได้ทั้งนั้นกำป น, นกันในี่ยศรัทธาใช่ไหมศรัทธากับโลภเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เออศรัทธากับมิจฉาทิโมกเนี่ยมันถ้าขีดเครื่องหมายผิดเนี่ยไปเจริญศรัทธาผิดเลยนะหรือปัญญากับมิจฉาทิถี่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยการรู้เหมือนกันเนี่ยมิจฉาญาณกับสมายญ น, นะเนี่ยรู้ผิดกับรู้ถูกอยู่ เรื่องรู้นกันใช่ไหมเครื่องหมายต่งตางๆกันไหมต้องสัญญาต้องจําได้ต้องจําได้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่สตินะสติมีสัญญาที่มั่นคงสัญญาเป็นตัวขีดเครื่องหมายได้ได้ค่อนข้างดีอ่ะตอนไปก็จิตมีกรณีอย่างเงี้ยนะนี่ถามประเด็นถามเรื่องอารามนาคานะนะเนี่ยยาวเลยลากยาวเลยอารามนาคนะอัจถริย ว่าไปจบแล้วในด้านของจิตตานืปรสนาแล้วก็อาการเกิดต่างๆก็ว่าไปจบแล้วไม่ย้อนกลับแล้วเดี๋ยวจะไม่ไปถึงไหนแล้วดูหน้าห้าจิตตานื้ปรสนานี้ไปยกมาในอภิธรรมอภีดอกในสติปัฏฐานนิพพังนี่นะไอ้ตรงนี้ก็เออมีหน้าหหน้าเจดีนโอ้ยในหลักสูตรนี่นะในสติปัฏฐานนิพพังกล่าวไวไ้ไม่เจอแล้วเอา ภิกษุตรงนี้ท่านเอาข้อที่ออเดี๋ยวเยวตรงนี้ก่อนอริยสัจในจิตานุปัสสนาก่อนเนาะตรงนี้จะขยายไปแล้วทีเมื่อเมื่อสักครู่ก็พูดเรื่องอริยสัจไปแล้วจิตานุปัสสนาสติที่กําหนดจิตเป็นอารมณ์เป็นทุกขสัจจะอันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะสรุปรองอริยสัจได้สรุปไปแล้วนะเพราะโรกียะจิตทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกขสัจจะ วกเจตสิกด้วยตัณหานะตัณหาที่ที่เป็นปัจจัยให้กับจิตเหล่านี้เกิดเป็นต้นนะสติที่เป็นไปกับจิตเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นสมุทยาาาัยสัจจะไปปฏิปทาออกจากทุกเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นไม่ใช่ความดับตัณหาดับ ดับจิตเหล่านี้ที่เป็นไปสรุปก็คือขันเหล่านี้ที่เป็นไปในโลกิยาทั้งหลายก็เป็นนิโรธสัจจะปฏิปฏิทายถึงนิโรธก็เป็นมรคนี่นะตรงนี้ก็บอกว่าในข้อหนึ่งกับอกว่าภิกษุพิจารณาเห็นจิตภายในจิตหนึ่งเนืองอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้เมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตของเรามีราคะนี่กาหนดของตนเองนะ หร e ือเมื animals, はは่อจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตของเราปราศจากราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตเราของเรามีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตของเราปราศจากโทสะเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตของเรามีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตของเราปราศจากโมหะเมื่อจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดจิตของเราหดหูนะเอหดหูนี่เป็นชื่อของอะไรเนี่ย อ๋อน้มิถะใครเกิดบ่อยเมื่อจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนี้ด้วยอะไรเนี่ยอุทจาร์นะก็รู้จาร์ว่าจิตของเราฟุ้งซ่านรู้ตอนไหนเนี่ยจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะจิตมีโทสะจิตมีโลละคาเนี่ยรู้ตอนไหนตรงนี้ท่านพูดในฐานนะที่เป็นผู้มีอัธยาศัยเกิดบ่อยนี่เนี่ย ว่าอัถิมีอยู่เนี่ยมีอยู่ในฐานะที่มีเกิดบ่อยแต่ไม่ใช่ไปกําหนดในขณะที่เอาโลภะกําหนดโลภะแล้วเป็นวิปัสสนาไม่ใช่เลยนะตรงเนี้ยที่พูดสักครู่ที่ใช้คําว่าตัวตัวกำหนดรู้เนี่ยสภาวะที่กําหนดรู้อะทุกขศาสจะกําหนดรู้ทุกขศาสจะเนี่ยแล้วก็สมุดกําหนดรู้สมุทิฏฐัศาสจะทำเห็นไหม ก็หมายความว่ากำหนดรอบรู้โรคจิตที่มีราคะแล้วก็กำหนดรู้ราคะที่อยู่ในจิตนั้นด้วยอย่างนี้นะทีนี้ถามว่าอะไรเป็นตัวกำหนดรู้ตัวยานะที่เป็นมโนทวาร ล, ละวชชนะมหาคุศลถ้าเป็นอย่างเราท่านทั้งหลายก็คือมหากุศลดวงที่1 2 3 5 5 6 7้นั่นเองซึ่งมีวิปัสสนาปัญญาเป็นตัวนำนั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นตัวไปไข้ควรไปกาหนดรู้ ฉะนั้นมโนทวารละชนะต้องแข็งแรงนั่นน่ะต้องไปน้อมในการที่จะไข่ควรไปกําหนดรู้จิตที่มีราคะจิตที่ปราศจากราคะเป็นต้นหล้วนี่นะแล้วจิตเป็นมหาคตะอันนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีจิตไม่เป็นมหาคตะอันนี้พอมแล้วจิตเป็นอุตระจิตของเราเป็นอุตระจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเป็นพวกกลุ่มกามวจรอนุตระจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นด้วยด้วยอะไร อุปจาระและอปนาจิตไม่ตั้งมั่นก็คือไม่มีอุปจารและอปนานั่นเองแต่หมายอโลกียะนะจิตหลุดพ้นด้วยด้วยอะไรแต่ทางคะกัวิขามะนาณนะเพราะการหลุดพ้นมี5ใช่ไหมท่านเว้น5อย่างเออเว้น3อย่างเว้นสมุูเฉทะวิมุตติปฏิปสติวิมุตติแล้วก็นิสรณวิมุตติออกไปเพราะในที่นี้ได้2หลุดพน้นแต่ทางคะ กับวิคําปะนะยังเราได้เท่าไหร่แต่ทางค่ายังไม่เคยกล้าพูดกันเลยดูทีนี้ทำท่าอายแล้วแต่ทางค่าก็ไม่ค่อยกล้าพูดแล้วเมื่อจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นภิกษุนั้นย่อมเสพเจริญกระทำให้มากกำหนดด้วยดีซึ่งนิมิตนั้นก็หมายความว่าจิตนั่นแหละภิกษุนั้นคันเสพเจริญทำให้มาก การกําหนดด้วยดีซึ่งนิมิตนะั่ะย่อมน้อมจิตเข้าไปในจิตภายนอกแปลว่าเนี่ยกำหนดจิตภายในจนชํานาญแล้วนี่นะจนชัดเจนดีแล้วเบษษษ็ดเสร็จดังกล่าวทั้งด้านของนี่แหละตามวิธีต่างๆที่กําหนดมาตามลําดับนั่นเองชํานาญเบษษ็ดเสร็จแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจิตภายนอกก็มาข้อ2เห็นจิตในจิตภายนอกเลยพิกษุพิจารณาเห็นจิต ในจิตภายนอกเนืองๆอยู่เป็นอย่างไรพิสูจนในพระศาสนานี้เมื่อจิตของเขาผู้นั้นมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นมีราคะรู้ยังไงรู้จิตคนอื่นรู้ยังไงยากไม่กำหนดรู้จิตคนอื่นก็เอาจาก เอาจากการกระทำนี่ที่จริงถ้าคนที่ได้อภิญญาทั้งหลายไม่ต้องแปลกใจเลยใช่ไหมเนี่ยเขากําหนดรักสนิทคืออย่างหลักสติปัฏฐานอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยสมประการนี่นะเดาว่าไปตามลําดับเดสรุปไหมป่าจิตของเขานียผู้นั้นมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นมีราคามีปรัชจร้าคะมีโทสะ ปราศจากโทสะมีโมหะปราศจากโมหะจิตของเขาผู้นั yes, ้นหดหูก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นหดหูจิตของเขาผู้นั้นฟุ้งฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นฟุ้งซ่านจิตของเขาผู้นั้นเป็นมหากะตะก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นเป็นมหากะตะจิตไม่เป็นมหากะตะก็รู้ชัดว่าไม่เป็นมหากะตะจิตของเขาเป็นสอุตราก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นเป็นสัอุตระหรือจิตของเขาผู้นั้นเป็นอนุตตระก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นเป็นอนุตตระ เมื <ME> ่อจิตของเขาผู้นั้นตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นตั้งมั่นหรือจิตของเขาผู้นั้นไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตของเขาผู้นั้นหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นหลุดพ้นเมื่อจิตของเขาผู้นั้นไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตของเขาผู้นั้นไม่หลุดพ้นเนี่ยก็ในยะเดียวกันภิกษุนั้นย่อมเสพเจริญกระทาไม่มากกําหนดด้วยดีซึ่งนิมิตนั้นนิมิตของการที่จิตเหล่านั้นเป็นไปตามสภาพอย่างนั้นนภิกษุนั้นก็ เสพเจริญกระทำให้มากกาหนดดีๆซึ่งมิตรแล้วก็ย่อมน้อมจิตเข้าไปทั้งภายในทั้งภายนอกอันนี้ท่านพูดถึงความช่ำชองอย่างยิ่งช่ำชองอย่างมาก mm hmm. เมื่อจิตภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและทั้งภายนอกอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในพระศาสนานี้จิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะนี้โอ้โนาญมากทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น จิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะมีโทสะปราจักโทสะมีโมหะปราศจากโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากตาจิตไม่เป็นมหากตาจิตเป็นอุสอุตระจิตไม่เป็นจิตที่เป็นอนุตตระจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นด้วยการอย่างนี้ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกที่พูดถึงความช่ำชอง มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นี่นะตรงนี้ท่านไปกล่าวไว้ในสูตรต่างๆด้วยในชั้นของติกานิบาศก็กล่าวไว้ว่าถ้าไม่สามารถยกชำนานทั้ง3าประการเหล่านี้สติปัฏฐานไม่บริบูรณ์ไม่บริบูรณ์ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นไม่บริบูรณ์เลยเออเป็นเรื่องที่ยากไหม ยังแล้วจะทำไงฮะออภายนอกของคน่ะก็อรู้ได้แต่จิตตัวเองรู้ยาจริงอ่ะเอ๊ะทไมเป็นยังงั้นอ่ะ อ๋อเทำไมยอมสุวรรณทำไมยอสุวรรณฉลาดในจิตาบุคคลอื so, so ่นยังเคยอย่างเงี้ใน ในชั้นคําสอนนะว่าอการรับหนที่ท่านเรียกกําหนดเนี่ยออรูปปริคหักกาศคือการกําหนดรูปมารำอรูปปริคหักกาศในวิสุทธิมารในการกําหนดนามธรรมรูปารูปะปริคหากกาศคือการกําหนดรูปนามควบคู่กันไวแล้วก็นามารูปะประวัติฐานะนะนะก็คือการกําหนดแยก วิจัยรูปนามเรวิแยกนามแล้วก็รูปทีนี้พระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานอิติอชตังวาการเยกายานุปสีวิหรติปัญธาวาการเยกายานุปสีวิหารติเนี่ยนะอชตตาปหิธาวาการเยกายานุปสีวิหรติตรงนี้ก็คือว่าพระพุทองค์แนะให้กําหนดรูปนามขันห้าคือกายเวทนาจิตและธรรมซ้าๆในพระบารีเนี่ยนะหนึ่งก็คือว่า ในอัชตะคือภายในตนสองพหิทธาก็คือภายนอกสอัจชตะพิธาทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ยพระตถาจารย์ทั้งหลายก็กล่าวย้ำประเทศนาที่พระองค์ตรัสไว้บอกว่ายัสสมาปณ ะ, ะเป็นต้นว่าไปตามลําดับนี่นะบอกว่าการเกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณแล้วก็อริยมรรคญาณ น, นั้นชื่อว่าอุ ธ, ธานคามินีเนี่ยนะก็คือการที่ว่าจะทํา จะนำออกเนี่ยนะก็เพราะกำหนดขันห้าว่าการกำหนดขันห้าภายในตนอย่างเดียวเท่านั้นนะันไม่พอเต้องกำหนดขันห้าภายนอกตนด้วยแล้วก็กำหนดขันห้าภายนอกคนอื่นด้วยแล้วก็นุปาทินอากาศสังขารสังขารที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นต้นน่ที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นอย่างเดียวก็ไม่พอเนี่ย น, นะสรุปก็คือว่าท่านพูดถึงกรณีของการที่ว่าต้องกาหนดทั้งภายในและทั้งภายนอก ว่างั้นต้องกำหนดทั้งภายในและภายนอกแต่ไม่ใช่กําหนดทั้งหมดเช่เนเอาทั้งหมดบุกทุกคนเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะไม่ใช่วิสัยของภาษาวก k e ใช่ไหมโอ้ถ้างั้นไหวไหมถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยอันนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าใช่ไพระพุทธเจ้านี่นี่เป็นปลายลักษณะเนี้ยเช่นว่าเราไปเห็นปุ๊บเราก็มาแยกทีละคนละคนละคนทุกคนเ น, นี่ยนี่พระพุทธเจ้าทําได้นะแต่อย่างเราไม่ใช่อย่างนั้น ทีนี้การกําหนดขันภายนอกีะทําไงกําหนดขันภายนอกอ่ะก็หมายความบอกว่าสามารถกําหนดอชัช ต, ตะคือรู ป, ปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในตนแล้วก็รูปนามขันห้าพายนอกตนด้วยท่านบอกว่าเมื่อเกิดความชํานาญในรูปนามขันห้าภายในตนนั่นแหละ นั่นแหละไอาการที่ว่าอย่างรู้ภายนอกเลยมีตนเป็นประมาณมีตนเป็นประมาณมันเลยชัดได้อันนี้กลุ่มกลุ่มที่ไม่ได้มียานปัญญาไปอย่างรู้จิตของคนอื่นนะแต่เอาความชำนาญของขันห้าภายในตนนั่นแหละเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานในํานองอย่างนั้นนะถ้าหากในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่า เอาตนเองเป็นประมาณเลยการอย่างรู้ภาย น, นอกมันชัดได้แต่ถ้าหากว่าตามเจาะว่าท่านคนนี้กำลังคิดอะไรกำลังเดินอะไรถ้าอย่างยมสุวรรณมาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไปรู้จิตคนอื่นได้ง่ายกว่ากยืนตัวเองอ๋ออ๋อดูอาการอ๋อ คือหยบๆฮะหยบๆแอยเปอร์เซ็นต์่คือคือการกำหนดขันห้าเนี่ยต้องก็เนี่ยขันหเนี่ยต้องกำหนดเอ่อกหนดรูปขันเนี่ยต้องสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยนะเพราะสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดได้ที่นั้นต้องวิจัยเลยนะเนี่ย ต้องวิจัยเลยอการใช้ยานปัญญาไปฝึกในการวิจัยสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยที่แรกก็นึกาทำไมทไมต้องมาวิจัยด้วยอ เ, เออจริงๆเราไปเห็นเป็นของสวยงามได้จริงๆนะใช่เป็นที่ตั้งของของความโลภกดหลงได้แลวความเข้าใจผิดเป็นต้นได้เอ้นีหมดเวลาย อ, ยอย่างหมดยังเหลือสิบลเลยฮะ อ๋อสิบเอ็ดแล้วใช่มั้ยอ๋ออ๋ออ้ามีใครถามปัญหาได้ข้อไหมไม่มีเลยเอ้างั้นก็พักก่อนดูสาธุ